อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบหลจมพวกของเราให้ชัดเจนอันนี้เป็นการย้ำเป็นการเตือนตามความเป็นจริงนั้นพวกท่านต้องพยายามสร้างความรู้ตัวตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่แล้วก็พยายามทำให้ต่อเนื่องลึกลงไปอีก พรู้เท่าทันการเกิดของใจรู้เท่าทันการเกิดของขันธ์ห้ารู้จักละกิเลสรู้จักปรับสภาพใจของเราให้ได้ตลอดเวลาจนมองเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลได้ทำไมใจถึงเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลง ใจนี่หลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดหลงมาตั้งแต่อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่ผ่านผ่านมาจนกระทั่งถึงเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตรงที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละท่านพยายามให้เจริญสติเข้าไปอบรมใจเข้าไปชี้เหตุชี้ผลจนใจคลายออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปเียกนามใจหงายขึ้นมาหรือเหมือนกับหงายของที่คว่ำ รู้จักจุดปล่อยจุดวางความรู้ตัวหรือว่าสติที่เราสร้างขึ้นมาก็ตามไปดูตามเห็นการเกิดการดับพองขันห้าซึ่งเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกิเลส ท, ที่เกิดจากใจเราก็รู้จักละรู้จักเออกรู้จักคลายน้อมใจของเราเข้าสู่ความสงบความสะอาดความบริสุทธ เราพยายามทำความเข้าใจให้กระจ่างการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันการทำบุญให้ทานจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะขัดเก่ากิเลสไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยการฝึกขัดปฏิบัติธรรมก็คือการทำความเข้าใจให้ถูกต้องอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบความเสีสละมีสัจจกะกับตัวเราเอง แล้วก็หมันวิเคราะห์ทั้งโลกทั้งธรรมท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในดวงวิญญาณในขันห้ารอบรู้ในโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวดูจากการสะสางกิเลสกิเลสจาบกิเลสละเอียดก็เป็นของเราทั้งนั้นเราพยายามหัดวิเคราะห์หัดพิจารณาทั้งรูปทั้งนามอะไรคือรูปอะไรคือนามพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่อง หลักของความจริงอันประเสริฐคือหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาหลักของอริยศาสตร์ความจริงเราก็จงพยายามทําความเข้าใจขณะที่ยังมีกําลังขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่จากเน้อยไปหามากๆไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความอดทนอดกลั้นเพียงพอหรือไม่เรามีความเสียสละ ออกจากกิจจากใจของเราเรารู้จักหนุนกำลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนทุกเรื่องก็ต้องพยายามกันนะไม่ใช่ว่าไปผัดวันประกันพรุ่งจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการละจนสติสมาธิปัญญาเขารักษาเรา ช่วงใหม่ๆความรู้ตัวหรือว่าสติไม่มีเราก็พยายามสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็รู้จักเอาไปใช้ไม่ใช่ว่ารู้จักตเรื่องการเจริญสติแต่ไม่รู้จักเอาสติไปใช้มันก็ดําเนินไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกเขาก็จะเป็นธาตุของความเกิดธาตุของขันธ์ธาตุของกิเลสธาตุของความโลภความโกรธความพียรพยายามอย่างถ้าเราฝึกท่านหลวงพ่อเป็นการฝืนเป็นฐานพวดทวนกระแสกิเลสถ้าเราเข้าใจแล้วใจของเราจะตกกระแสธรรมอยู่กับความบริสุทธิ์อยู่กับความว่างความบริสุทธิ์มองเห็นโลกนี้เป็นคงว่างถ้าใจว่างก็มองเห็นโลกนี้เป็นคงว่าง ใจเป็นธรรมก็มองเห็นโลกนี้เป็นธรรมธรรมดำธรรมขาวกิเลสภายนอกกิเลสภายในเราต้องศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดรู้จักจุดปล่อยจุดวางใจเขาถึงจะวางได้ท่านถึงบอกว่าให้รู้เหตุรู้ผลเหตุทางสมมติก็มีเหตุทางวิมุติก็มีเราต้องศึกษาให้ละเอียดฝ่ากันสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทา ฟังไปด้วยนม้มซำเนียกไปด้วยลองชุดลมหายใจยาวๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆกายก็จะสบายขึ้นเยอะความนึกคิดปรงแต่งต่างๆก็จะหยุดระงับลงไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้เด็ดขาดทำใจให้ว่างสมองให้โล่งทำกายให้โปรง่งมีความรู้สึกระรบ้ดยิที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่ะไหวพระพร้อมอมกัน ค่อยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบท